วันนี้เป็นวันศุกร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2566เป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านสาธุชนพุทธบ ร, ริษัทผู้ฝ่ายธรรมได้มีโอกาสมีเวลาว่างที่จะมาศึกษา พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสอนที่ประเสริฐเลิศโลกกว่าคำสอนทั้งหลายทั้งปวงเพราะเป็นคำสอนที่จะสามารถนำผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติตามได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ในสังสารวัดได้ไม่มีความรู้รอันใดในโลกนี้ไม่ว่าจะไปศึกษาที่สถาบันการศึกษาสถาบันใดก็ตามมีชื่อเสียงระดับโลกก็ตามสถาบันเหล่านั้นความรู้ที่ได้จากสถาบันเหล่านั้นจะไม่สามารถนา ม, มาใช้ ในการดับทุกข์ของใจได้ไม่สามารถที่จะทําให้ใจได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยมีแต่คําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะสามารถนําพาสัตว์โลกที่ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ให้ได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างถาวรไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้การศึกษาคำสอนเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพราะคำสอนนี้จะบอกวิธีการปฏิบัติ เพื่อที่จะทำให้จิตใจที่ติดอยู่ในกองทุกนี้ได้หลุดออกจากกองทุกได้ถ้าไม่ศึกษาก็จะไม่มีวันที่จะรู้วิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วถ้านำเอาไปปฏิบัติโดยโดยไม่ได้ศึกษาก็จะไม่สามารถทำให้จิตใจหลุดออกจาก กองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เลยการศึกษาก็คือการฟังเทศฟังธรรม <c oughs> อยู่อย่างสม่ำเสมอจึงเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งของผู้ที่มีความปรารถนาที่อยากจะพ้นทุกข์ที่ไม่อยากจะกลับม า, มาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าไม่ได้ศึกษาแล้ว ก็จะไม่รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องณเมื่อได้ไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องการหลุดพ้นออกจากกองทุกนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เลยดั mm hmm. งนั้นการฟังเทศฟังธรรมการศึกษาธรรมะคาสัง่งคาสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการอ่านก็ดีด้วยการได้ยินได้ฟังก็ดี mm hmm. เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างมาก พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติวันศึกษาพระธรรมคำสอนที่เรียกว่าวันธรรมสวนะวันฟังธรรม mm hmm. คือวันพระสมั ย, ส ม, ยสมัยพุทธกาลนสมัย อ, อดีตที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่นานมา น, นี้ mm hmm. ประเทศไทยเราก็หยุดทำงานกันในวันพระมัน เพื่อที่เราจะได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆแล้วจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาวิธีการปฏิบัติเพื่อทำให้จิตใจได้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ทั้งหลายได้แต่ในยุคปัจจุบันนี้โลกเรานี้ หรือประเทศไทยทั้งทั้ ง, ท, ง, ท, ง, ท, งที่เป็นปนเทศที่นับถือพระพุทธศาสนากลับไม่ฟังคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ากลับไปฟังคำสั่งคำสอนของกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาที่สอนให้ไปหาความทุกข์จากการไปครอบครองโลกธรรมทั้งสี่ คือราบยศสารเสริญ ส, สุขกันเอาวันเวลาทำงานไปให้กับการแสวงหาราบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายกันและวันที่หยุดทำงานก็เอาเวลาไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผธถภะชนิดต่างๆไม่มีเวลาที่จะให้กับการศึกษาพราะธรรมคำสั่งคำสอน เหมือนสมัยพุทธการเลย <c oughs> ชาวพุทธเราจึง <c oughs> อยู่ห่างไกลาจากพระศาสนาไปตามลำดับ <c oughs> ตามกระแสะของความเจริญของทางทางโลกกระรมทั้งสี่อือราบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย <c oughs> ยังทำให้จิตใจ <c oughs> มีความทุกข์มีความรุวมร้อนมากขึ้นไปตามลำดับมีความวุ่นวายมีการเบียดเบียนมีการทำร้ายกันเพิ่มขึ้นตามลำดับ<ม>เพราะถูกกระแสของกิเลส ต, ตัณหาโมหะวิชาคอยดึงให้ไปแสวงหาโลกธรรมทั้งสี่คือาลาภยศสรลเสริญ และความสูงทางตาหูจมูกเล้กายไม่มีวันไม่มีวันไม่มีเวลาที่จะให้กับการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพอขาดการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวจากบิดามารดาบิดามารดาก็ถูกกระแสของทางโลก ให้ดึงไปหาราบยศสรรเสริญสุขก็เลยสั่งสอนให้ลูกหลานไปแสวงหาความสุขจากราบยศสรรเสริญสุขกันเลยไม่มีเวลาที่จะให้กับการเข้าวัดไม่มีเวลาให้กับการศึกษาพระธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> ถึงแม้จะมีวันพระวันธรรมมัทสวรนะ <c oughs> แต่ก็ ไม่ได้ทําหน้าที่ของวันพระคือเข้าวัด <c oughs> เพื่อศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนหรือถ้าไม่เข้าวัดก็ อ, อย่างน้อยสมัยนี้ก็มีพระธรรมคำสั่งคำสอนอยู่ที่บ้านแล้วในรูปแบบของห <c oughs> นรรังสือในรูปแบบของเครื่องบันทึกเสียงเครื่องบันทึกภาพต่างๆที่สามารถที่จะเอามาใช้ <c oughs> ในการศึกษา <c oughs> และในการปฏิบัติได้จนสมัยนี้คนเลยมองไม่เห็นคุณค่าของพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไปคิดว่าเป็นเรื่องของความงมงายใจที่ปราศจากคำสั่งคำสอนก็เหมือนใจที่ถูกเครื่องพันธนาการ มัดตาเอาไว้ปิดตาเอาไว้ไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ที่ตาสามารถปกติจะมองเห็นได้เช่นลองหลับตาดูถ้าเราหลับตาดูแล้นี้เราจะไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราได้ว่ามีอะไรบ้างมีมีบุคคลมีต้นไม้มี สน้ํายามี <c oughs> ที่อยู่อาศัยมีอะไรมีท้องฟ้ามีอะไรต่างๆ mm hmm. การที่ไม่ได้ศึกษาพราะธรรมคำสั่งคําสอนก็เหมือนกับการมีอะไรมาปิดตาตาที่พูดนี้ไม่ได้หมายถึงตาของร่างกายตาของร่างกายนี้เห็นได้แต่สิ่งที่เป็นรูปประทับก็คือเห็น เห็นรูปเสียงกลิ่นรสผลพระได้แต่สิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ก็คือนามธรรมานามธรรมาคืออะไรนามธรรมาก็คือจิตใจผู้รู้ผู้คิดนี้ว่ากําลังทําอะไรอยู่กําลังสร้างความทุกข์ให้กับตนเองอยู่หรือกําลังสร้างความสุขให้กับตนเองอยู่ แล้วก็ไม่รู้เสียด้วยซ้ำไปว่ามีจิตใจที่ต่างไปจากร่างกายจะไปคิดว่าจิตใจนี้คือความรู้สึกนึกคิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปแล้วก็เลยต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจทรัพยากรทั้งหลายให้กับการดูแลรักษาร่างกาย ให้อยู่อย่างแข็งแรงให้อยู่อย่างยาวนานโดยไม่ได้มองถึงสภาพความเป็นจริงของร่างกายเลยว่าไม่ว่าจะดูแลอย่างไรมากน้อยเพียงไรดีขนาดไหนร่างกายในที่สุดก็ต้องเข้าสู่ความชราเข้าสู่ความแก่เข้าสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วย และเข้าสู่ความตายไปตามลำดับและเวลาที่ร่างกายต้องเข้าสู่ความแก่ความเจ็บไข้ด้วยป่วยความตายเวลานั้นจิตใจก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจเ <c oughs> พราะไม่รู้จักวิธีที่จะรับกับความแก่ครับรับกับความเจ็บรับกับความตายของร่างกายได้อย่างไร เพราะว่าไม่ได้มีไม่ได้ศึกษาพราะธรรมคำสัง่งคาสอนของพระพุทธเจ้านี้เมือแต่ไปศึกษา <c oughs> <c oughs> วิชาความรู้ต่างๆที่เอามาใช้ในการหาราบยกสารเสริญสุขกันซึ่งวิชาละเหล่านี้วิชาที่ใช้ในการหาราบยกสรรเสริญสุขนี้ไม่สามารถที่จะเอามาใช้กับการ ดับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่เกิดจากความเจ็บเกิดจากความตายได้เลยถ้าไม่มีวิชาทางธรรมะก็เหมือนกับที่ทหารที่เวลาออกสงครามรบนี้ไม่มีอาวุธไปรบด้วยไปรบกับข้าศึกษัตว์<ม>ก็ต้องถูกข้าศึกษัตร์วฆ่าฆ่าตายทั้งหมดม ใจที่ไม่ได้รับการอบรมก็ทําคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่รู้จักวิธีที่จะดับความทุกข์เวลาที่เกิดความแก่เกิดความเจ็บเกิดความตายของร่างกายขึ้นมาได้เลยมีแต่ธรรมะคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นแหละที่จะสอนให้รู้จักวิธีดับความทุกข์ ที่เกิดจากความแก่เกิดจากความเจ็บเกิดจากความตายได้ธรรมะคำสอนของพระทเจ้านี้จึงเป็นเหมือนกับอาวุธของของทหารที่ออกรบทหารที่ออกรบที่มีมีอาวุธมี <c oughs> อาวุธยุธโทโธปรกรณ์ที่ล้ําสมัยที่ทันสมัยก็จะสามารถที่จะทําลายฆ่าศึกศัตรูให้ตายไป ได้อย่างราบคาบจะทำให้เวลาที่ร่างกายเข้าสู่ความแก่เข้าสู่ความเจ็บเข้าสู่ความตายนี้จะไม่ได้ทำให้จิตใจนี้เดือดร้อนเลยแม้แต่นิดเดียวจิตใจสามารถอ ย, อยู่เหนือความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายได้อย่างสบายเหมือนกับไม่ได้แก่เหมือนกับไม่ได้เจ็บเหมือนกับไม่ได้ตายเลย นี่แหละคือคุณประโยชน์ของพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าสำหรับผู้ที่ได้มีโอกาสได้ศึกษาได้ปฏิบัติก็จะรู้จักคุณค่าอันยิ่งใหญ่อันอันเลิศอันประเสริฐของพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาก็จะไม่เห็นคุณค่า ก็จะไม่ได้สนใจให้ความสนใจกับการศึกษากับการปฏิบัติพอเวลาร่างกายเข้าสู่ภาวะของความทุกข์เข้าสู่ความแก่เข้าสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าสู่ความตายเข้าสู่การพัดพากจากบุคคลที่ตนเองรักตนเองชอบหรือสิ่งของที่ตนเองรักตนเองชอบหรือรเผชิญกับภาวะเหตุการณ์ที่ไม่น่าปฏด ไม่พึงปรานา mm. เวลานั้นจิตใจจะไม่มีเครื่องม้เครื่องมือที่จะต่อสู้กับความทุกข์ที่จะข็หมกระหน่ำเข้ามาสู่จิตใจอย่าง <c oughs> อย่างรุนแรง mm. จนอาจจะทำให้ไม่สามารถทนอยู่ต่อไปก็ได้ mm. บางคนถึงกับต้องใช้วิธีการฆ่าตัวตาย เพื่อหนีความทุกข์ที่โหมกระหน่ำจิตใจแต่การฆ่าตัวตายก็ไม่ได้เป็นวิธีที่จะแก้ปัญหาเพราะร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวปัญหาร่างกายไม่ได้เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ตัวที่สร้างความทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆที่เป็นตัวสร้างปัญหา และเป็นตัวที่ไม่ได้ตายไปกับการฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายนี้เป็นการฆ่าร่างกายแต่ไม่ได้เป็นการฆ่ากิเลสตันหาคือความโลภความอยา ก, กตา่างๆถึงแม้ร่างกายจะตายไปถ้าเรามองดูที่ร่างกายเราอาจจะคิดว่าร่างกายนอนสงบไม่มีความทุกข์แล้วแต่หารู้ไหมว่าตัวที่ทุกข์ก็คือตัวใจนี้ มันไม่สงบไปกับความตายของร่างกายแต่มันจะทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปอีกเพราะการการกระทำบาปด้วยการฆ่าตัวตายนี้มันจะยิ่งสร้างความทุกข์ยิ่งสร้างความทรมานให้แก่จิตใจเพิ่มมากขึ้นไปอีกหลายร้อยเท่าด้วยกันฉังนั้นการฆ่าตัวตายนี้ไม่ได้เป็นวิธีที่จะแก้ปัญหาเพราะว่า ถึงแม้ว่าร่างกายนี้จะตายไปแต่ใจและกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจนี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวกิเลสตัณหานี้มันก็จะเป็นตัวที่จะผลักดันให้ใจเบื้องต้นก็ไปรับผลบาปที่เกิดจากการฆ่าตัวตายตปก่อนเมื่อพ้นจากการรับผลบาปแล้วก็จะมา ผลักดันให้ร่างให้ใจไปหาร่างกายอันใหม่เมื่อเกิดใหม่อีกแล้วก็มาเจอปัญหาแบบเดิมอีกปัญหาของร่างกายคือปัญหาของความแก่ความเจ็บความตายปัญหาของของการพักผ้าจากกันปัญหาของการที่จะต้องพบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาต่างๆแล้วเมื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ก็จะใช้วิธีเดิมก็คือการฆ่าตัวตาย ท่านถึงมีคำพูดไว้ว่าคู่ใดที่ฆ่าตัวตายนี้แล้วเวลากลับมาเกิดอีกห้าร้อยชาติก็จะ ก, ก็จะฆ่าตัวตายห้าร้อยชาติเพราะว่ามันติดเป็นนิสัยไปพอเวลาเจอปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็ใช้วิธีแก้ด้วยการฆ่าตัวตายไปฉะนั้นวิธีการแค่ตัวตายไม่ได้เป็นการ แก้ปัญหากับเป็นการสร้างปัญหาปัญหาก็คือการแก้ตัวตายด้วยการแก้ปัญหาวิธีที่แก้ปัญหาที่ถูกต้องต้องมาฆ่าฆ่าตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจก็คือกิเลสตัณหาตัวที่พาให้จิตใจมาเวียนว่ายตายเกิดก็คือกิเลสตัณหาไม่ใช่ไม่ใช่ร่างกายถ้าไม่มีกิเลสตัณหามันก็จะไม่มีร่างกาย ถ้าไม่มีกิเลสต่อหาคือไม่มีความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายที่เรียกว่าการมาตัญหาหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือหาความสุขจากการเสบรูปประชานหรือหาความสุขจากการเสบอารูปประชาน<ม>ก็จําเป็นที่จะต้องมีร่างกายไว้เป็นเครื่องเสบ ถ้าถ้าไม่อยากจะมีร่างกายก็ต้องตัดความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถั่วไม่หาความสุขจากการเสมรูปประชานหรืออรูปประชานเมื่อไม่มีการความอยากเหล่านี้แล้วก็จะไม่มีอะไรที่จะดึงใจให้มามีร่างกายได้ต่อไปเมื่อไม่มีร่างกาย ใจก็ก็จะไม่มีความร่างกายเมื่อไม่มีรไม่มีการเกิดก็จะไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายไม่มีการฆ่าตัวตาย <c oughs> อันนี้แหละคือวิธีแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้าที่ทรงนำาอามาเผยแผ่เอามาสั่งสอนให้กับสวรโลกอย่างพวกเราที่ยังติดกับดักของของกิเลสตัณหา ที่จะคอยฉุดลากให้ใจนี้ไปเวียนว่ายตายเกิดไปมีร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆพอร่างกายอันเก่าตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อช่วงที่ไม่มีร่างกายก็เป็นช่วงที่ต้องไปรับผลบุญหรือผลบาปที่ได้กระทำเอาไว้ก่อนพออำนาจของบุญหรือของบาปหมดกาลังลง ถึงจะได้มาได้ร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่ก็ต้องมาทุกกับการมีร่างกายทุกข์ตั้งแต่ขณะที่ออกมาจากท้องแม่เวลาเกิดมานี่เด็กที่คลอดออกมาไม่มีเด็กคนไหนหัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใสดีใจว่าได้มาเกิดคลอดออกมาแล้วมีแต่ร้องกันร้องเพราะว่าต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนในการดารงชีพ ต้องหายใจเองต้องดื่มน้าเองต้องกินอาหารเองในเบื้องต้นก็ต้องอาศัยผู้มีพระคุณคือบิดามารดาคอยดูแลเลี้ยงดูเพราะว่าร่างกายยังเล็กไม่มีความสามารถที่จะเลี้ยงดูตนเองได้แต่ยังก็ต้องกินเองยังต้องดื่มน้ำเองเพียงแต่พ่อแม่หาน้ำหาอาหารมาให้ดื่ม ต้องหายใจเองและพอโตขึ้นมาพอที่จะดูแลตนเองได้ก็ต้องดูแลตนเองต่อไปเพราะพ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะอยู่เลี้ยงดูลูกไปได้ตลอดพ่อแม่ก็ต้องเข้าสู่ความชราสู่ความเจ็บและสู่ความตายไปตามลำดับก็ต้องเลี้ยงดูตนเองไป ต่อสู้กับภัยต่างๆที่จะมาคอยสกัดชีวิตสกัดกั้นชีวิตทำลายชีวิตมีภัยรอบด้านภัยที่เกิดจากาเหตุการณ์ต่างๆเช่นภัยพิบัติเช่นน้ำท่วมไฟไหมพายุหรืออุบัติภัยต่างๆ เดินทางไปไหนมาไหนก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือเจอภัยจากสัตว์อันตรายเช่นงูงูพิษต่างๆหรือเจอภัยกับมนุษย์มนุษย์ที่ใจโหดร้ายทารุณหรือเจอภัยกับเชื้อโรคชนิดต่างๆมีภัยอะไรรอบด้านไปหมด แล้วก็ภัยสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางยุคบางเวลามีภัยที่เกิดจากฝนแรง<ม>เกิดการขาดแคลนอาหารนี่คือความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่มีร่างกายผู้ที่มาเกิดในแต่ละยุคในแต่ละสมัยการเกิดนี้มันถึงนม้นจะคิดว่า เป็นการได้ได้มาหาความสุขก็ตา่างแต่ถ้าดูปริมาณของความสุขที่หาได้กับปริมาณของความทุกข์นี่มันมากกว่ากันหลายร้อยเท่าความทุกข์นี้มันมากกว่าความสุขหลายร้อยเท่าเลยกันแต่ก็ไม่มีทางเลือกเพราะเมื่อมาเกิดแล้วมันก็ต้องดิ้นรนกันไปต้องต้องต่อสู้ เพื่อที่จะให้ชีวิตอยู Est ่ไปได้เรื่อยๆเพื่อที่จะได้เอาร่างกายนี้ไปหาความสุขไปหาราบยศรเสร์ญไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วไม่ว่าจะหามาได้มากน้อยเพียงไรความสุขที่ได้มาเหล่านี้ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะจางหายไป<ม>เวลาที่มันหายไปมันก็ปล่อยให้ใจมีความรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย มีความเศร้าโศกเสียใจ<ม>ก็เป็นความทุกข์ที่ได้จากการไปหาลาบยศสรรเสริญสุขเองน<ม>ั้นสรุปแล้วก็คือการมาเกิดนี้เท่ากับการมาหาความทุกข์มากกว่าที่จะมาหาความสุขอันนี้แหละคือกรรมของสัตว์โลกอย่างพวกเราที่เกิดมาแล้ว<ม>ก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ชนิดต่างๆกัน ตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงวันตายไปไม่ว่าจะรวยขนาดไหนหรือยากจนขนาดไหนก็ไม่พ้นจากเรื่องของความทุกข์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ใหญ่โตขนาดไหนหรือเป็นคนธรรมดาสามัญก็เจอกับความทุกข์แบบเดียวกันทั้งนั้นหนีไม่ได้หนีไม่พ้นถ้ามาเกิดแล้วต้องเจอกันด้วยกัน นี่คือปัญหาของพวกเราที่ยังมาเกิดกันอยู่แล้วก็จะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องมีโอกาสได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาเจอกับพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเจอคำสอนของพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าที่จะสามารถ สวิธีการปฏิบัติให้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้<ม>ถ้าไม่มีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือคำสั่งคำสอนของพระอาจาร์ตสาคกหลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้ว<ม><ม>ก็จะไม่มีวันที่จะสามารถที่จะหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เลยและโอกาสที่จะได้มาพบกับ พระพุทธศาสนาพบกับคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอรหันตสาวกก็ดีไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะปรากฏขึ้นมาได้อย่างง่ายดายเพราะการปรากฏของพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่ละพระองค์นี้ก็เป็นการปรากฏขึ้นมาได้ยากมากคือนานๆทักครั้งหนึ่งจะมีพระพุทธเจ้ามาตารัสโลยแล้วมา เผยแผ่พระธรรมคาสอนมาก่อตั้งพระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชนได้ยึดเป็นที่พึ่งยึดเป็นที่ศึกษาลริ่มเรียนเพื่อที่จะได้ปฏิบัติให้ตนเองได้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งเวลาที่เรานับกันเป็นล้านๆปีนี่มันยังถือว่าสั้นเมื่อเปรียบกับเวลา ของแต่ละช่วงที่จะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นมาในโลกนี้คาว่ากับนี้ก็เป็นระยะเวลาที่นานแสนนานยาวแสนยาวขอให้เรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ยากมากนะถ้าใครได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนานี้ก็ต้องถือว่าได้พบสิ่งที่ยากมากได้ได้โอกาสอนันประเสริฐเลิ่นโลก ถ้าเปรียบเทียบกับความยากของโลกในสมัยนี้ก็คือเช่นการได้ถูกวัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมันเป็นของยากการได้มาเจอพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนกับถูกวอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่ยากกว่าอีกหรายล้านเท่าด้วยกันฉันั้นเมื่อเราได้มาเจอของดีของวิเศษแล้วเราก็ควรที่จะแสวง คนที่จะเข้าหาคนที่จะเข้าศึกษาอย่าทําเป็นตัวเป็นไก่ได้พลอยไก่นี่เขาเวลาทำมาหากินเขาจะคุ้ยเขี่ยไปในดินเพื่อหาตัวหนอนตัวไส้เดือนมารับประทานเวลาที่เขาไปคุ้ยเขี่ยเจอเจอเพชรนินจินดาเขาจะเขียเข่ยทิ้งเขี่ยทิ้ง เพราะเขาไม่รู้คุณค่าของเพชรนินจินดาวว่ามีคุณค่ามากน้อยเพียงไรก็รเพียงแต่ดูเพียงอย่างเดียวว่าเอามากินได้หรือไม่อันไหนที่กินไม่ได้เขาก็เขียทิ้งไปเพราะปัญญาของไก่นี้มันมีไม่มากเหมือนกับปัญญาของมนุษย์มนุษย์นี่ถ้าไปหาตัวหนอนตัวไส้เดือนแล้วไปเจอเพชรนินจินดานี่แทนที่จะเอาตัวหนอนตัวไส้เดือนนี้ ก็จะขุดเอาเพชรนิมจินดาขึ้นมาเพราะรู้ว่าสามารถเอาเพชรนินจินดานี i ไปไปขายได้ได้เงินมาเป็นจํานวนมากจนไม่ต้องมานั่งหาตัวหนอนตัวไส้เดือนอีกต่อไปสามารถเอาเงินที่ได้จากเพชรนิมจินดานี้มิมาซื้อตัวหนอนไส้เดือนไปได้ตลอดชีวิตเลยเนี่ยคนมนุษย์เราที่ได้มาเจอพระพุทธศาสนา แล้วกับหันหลังให้กับพระพุทธศาสนาหันหน้าให้หาราบยศเธอเสริญสุขเนี่ยก็คือไก่ที่ที่ได้พลอยไก่มันจะเขี่ยทิ้งเขี่ยทิ้งเพชพลอยต่างๆที่มันขุดคุ้ยเจอขึ้นมามันจะขุดคุ้ยหาแต่ตัวหนอนตัวไส้เดือนมากินนั่นเองคนที่ไม่ฉลาดคนที่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันคนที่หันหลังให้กับพระพุทธศาสนา แล้วหันหน้าให้กับลาบยศเสริญสุขเปรียบเหมือนกับไก่ที่ได้พลอย <Illinois> ความสุขที่ได้จากลาบยสรเสริญสุขนี่มันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่หุ้มห่อความทุกข์เอาไว้อยู่โดยไม่รู้สึกโดยไม่รู้เห <año> มือนเหมือนกับปลาที่เห็นเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเนีย่ว่าเป็นอาหารอานุชาพอ ไปฮูปเหยื่อเข้าไปแล้วถึงจะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากก mm hmm. ารที่ไปหาความสุขจากลาบยศเสริญสุขก็เป็นแบบเดียวกันหาความสุขจากลาบยศเสริญสุขเวลาได้มาใหม่ๆก็ดีอกดีใจกันแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาทุกข์มากังวลกับความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของลาบยศเสริญสุขว่ามันจะอยู่กับเราไปได้นานสักเท่าไหร่ แล้วเวลาที่มันเกิดการเปลี่ยนไปหรือเกิการสิ้นสุดลงเวลานั้นความทุกข์ก็จะผมประหนำจิตใจทันทีเวลาเวลาที่ราบยศสารเสริญสุขมันเสื่อมลงไปนะไอันนี้คือเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้สองสิ่งด้วยกันก็คือราบยศสารเสริญสุข กับพระพุทธศาสนาคําสั่งคําสอนอันประเสริฐผู้ที่ฉลาดก็จะเลือกเอาคําสั่งคําสอนเพราะรู้ว่าคําสั่งคําสอนนี้จะพาให้ได้ไปพบกับเพศนิรันตเพรนินจินดานประเสริฐคือคือทรัพย์ภายในที่เรียกว่าอาริยทรัพย์ทรัพย์ที่จะพาให้จิตใจนี้ได้พบกับความสุข ที่ยั่งยืนที่ถาวรและกําจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปยุติการเวียนว่ายตายเกิดของใจดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้นี่นี่คือสิ่งที่พระพุทธศาสนาที่จะทาที่จะมอบให้กับผู้ที่ได้มีความสนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตาม แต่ผู้ที่ไม่สนใจกลับไปสนใจการหาโลกธรรมทั้งสี่คือลาบยศสารเสริญสุขนี้ก็จะเป็นผู้ที่จะต้องเจอกับความทุกข์ทั้งในขณะที่อยู่กับลาบยศสารเสริญสุขที่ไม่ที่เป็นของที่ไม่นไมแน่นอนไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของที่มีจานเจริญได้มีการเสรื่อมได้ เวลาลาบยศสารเสริญสุขเจริญก็มีความสุขกันพอเวลาลาบยศสารเสริญสุขมีความเสื่อมขึ้นมาเวลานั้นก็ต้องเจอกับความทุกข์กันแล้วนอกจากเจอกับความทุกข์ของความไม่แน่นอนของลาบยศสารเสริญสุขแล้วก็ยังพาให้ติดอยู่ในกับของกับดักของการเวียนว่ายตายเกิดเเพราะว่าหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ใจที่ยังฝ่ายหาราบยศสรรเสิญสุขอยู่นี้ก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ก็ที่เวลาที่ได้ร่างกายอันใหม่แล้วได้มาเกิดใหม่แล้วก็จะได้มาหาราบยศสารเสริญสุขใหม่ก็จะต้องก็จะต้องติดอยู่กองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่สำหรับผู้ที่หันหลังให้กับการหาราบยศสรรเสิญสุข หันหน้าให้กับพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้นี้ก็จะเป็นผู้ที่จะได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจอีกต่อไปจะอยู่ที่ที่มีแต่ความสุขที่เรียกว่าปันปรลมังสุขขังเป็นบรล ม, มัสุขที่ ปราศจากการเวียนว่ายตายเกิดคือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ที่ได้กําจัดกิเลสตัณหาตัวที่คอยฉุดรากใจให้มาติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดพ อ, อตัวที่ถูกมาฉุดให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ถูกทำลายไปหมดสิ้นแล้ว <pivot. S 2> ก็ไม่มีไม่มีความจําเป็นไม่มีการกลับมาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตาย ทุกก็ย่อมไม่มีย่อมไม่เกิดขึ้นทุกไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตาบใดยังมีการเกิดอยู่ตาบนั้นก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่เพราะไม่มีใครอยากจะแก่กันไม่มีใครอยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยกันไม่มีใครอยากจะตายกันแต่ก็ไม่สามารถยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายได้เมื่อมาเกิดแล้วแต่ผู้ที่ได้เข้าพบกับพระพุทธศาสนานี้ ถึงแม้ยังจะต้องเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายอยู่ก็จะสามารถที่จะรู้วิธีที่จะอยู่กับความแก่อยู่กับความเจ็บอยู่กับความตายได้โดยไม่ต้องทุกข์ใจเลยอันนี้ประโยชน์ที่จะได้รับจากการที่ได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบรรลุมารผลนิพพานได้แล้ว คามแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี้จะไม่สร้างความทุกข์ให้กับใจเลย <c oughs> นอกจากไม่ทุกข์แล้ว <c oughs> นอกจากไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็ยังไม่มาเกิดอีกด้วยร่างกายนี้ก็จะเป็นร่างกายสุดท้ายของผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมจนบรบรลุถึงขั้นพระ น, นิพพานได้ <c oughs> ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถมอบให้กับจิตใจของผู้ที่ยังเวียนว่ตายเกิดได้ถ้าไปหาลาบยศรเสรินสุขก็จะต้องไปพบกับความทุกข์อยากความไม่แน่นอนของลาบยศรเสรินสุขแล้วก็จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอยู่เรื่อยๆเพราะความอยากที่จะหาลาบ ความสุขจากราบยศสารเสริญสุขนี้มันยังไม่หมดทิ้นไปจากใจมันจะเป็นตัวที่จะคอยผลักดันให้ใจไปมีร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เพื่อที่จะได้ไปหาราบยศสารเสริญสุขอันใหม่ต่อไปดั <c oughs> งนั้นเราต้อง <c oughs> พิจารณาตัวเราเองว่าเราเป็นอะไร <c oughs> เราเป็นมนุษย์ที่ฉลาหรือเราเป็นไก่ที่ได้พลอย ถ้าเราเป็นไก่ที่ได้ปลอยเราก็เป็นผู้ที่ยังมีความยินดีกับการแสวงหาราบยศเสรเสริญสุขอยู่ยังไม่สนใจกับการที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แต่ถ้าเราเป็นคนฉลาดเป็นมนุษย์เป็นบัณฑิตเป็นผู้ที่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือสุขอะไรคือทุกข์ อะไรจะเป็นสิ่งที่จะพาให้จิตใจไปติดอยู่กับกองทุกข์อะไรเป็นสิ่งที่จะทำให้จิตได้หลุดออกจากกองทุกข์ถ้าเรามีสติปัญญาความคิดความฉลาดพอที่จะแยกแยะได้เราก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ <c oughs> ที่จะทำให้เราได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ นอกจากการศึกษาและการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้านี้แหละเป็นผู้คนแรกคนเดียวในโลกนี้ที่สามารถศึกษาค้นคว้าทางออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดด้วยพระองค์เองได้ทําไมพระองค์ถึงต้องทําด้วยตนเองก็เพราะว่าไม่มีใครรู้ทางนี้นั่นเองพระองทรงไปศึกษา แบบนักปราชญ์ทั้งหลายในยุคในสมัยของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครที่จะรู้วิธีที่จะทําให้จิตใจนี้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เมื่อไม่เมื่อไม่มีใครสอนก็ต้องสอนตนเองต้องขุดคุยค้นหาสาเหตุว่าอะไรทําให้ใจทุกข์ว่าอะไรพาให้ใจต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดจนในที่สุดก็สองค้นพบว่าก็คือ วิเลตันหาความอยากทั้งสามนี้เองคือกามตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาความอยากเสดกามเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสปุถพระความอยากเสบ ร, รูปประชานความอยากเสอ ร, รูปประชานหรือความอยากมีหรือความอยากไม่มีอันนี้แหละเป็นตัวที่พาให้ใจต้องมาเวือนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อย อยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีร่างกายแล้วก็อยากให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอร่างกายเกิดความแก่เกิดความเจ็บเกิดความตายขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ความทุกข์ไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายแต่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะยังอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะยังอยากจะได้ลาภยศสรเสริญสุขนั่นเอง ไม่ใช่ความเจ็บไม่ใช่ความแก่ความตายเพราะพุทธเจ้าพระลานตสาวกท่านก็ต้องแก่ท่านต้องเจ็บท่านก็ต้องตายแต่ใจท่านไม่ทุกข์เพราะท่านสามารถหยุดความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เพราะท่านไม่มีความอยากที่จะไปเสกรูปเสียงกลิ่นรสผดผลาร่างกายจะอยู่จะตายนี้ไม่มีผลอะไรกับใจของท่านเพราะท่านไม่ได้ใช้ร่างกายไม่ได้ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกาย เป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆท่านมีความสุขที่เกิดจากปัญญาเกิดเกิดจากาสติปัญญาที่รู้ว่าการมีความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจถ้าไม่ต้องการสร้างความทุกข์ให้กับใจต้องไม่มีความอยากเท่านั้นเองพอใจที่ปราศจากความอยากแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับอะไร และใจที่ไม่ทุกนี่แหละเป็นใจที่สุขเพียงแท้จริงตัวที่ทําให้ใจไม่สุขก็คือความอยากถ้าตัดหยุดความอยากได้แล้วความไม่สุขก็จะหายความความทุกข์ก็จะหายไปความความสุขที่เกิดจากการไม่มีความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาเองโดยธรรมชาติไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหน ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การหยุดความอยากมี่เท่านั้นเองนี่แหละเกิบุคบคลแรกที่ค้นพบวิธีการดับความทุกข์ท่านถึงมีชื่อว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอหารหันต์แปลว่าผู้ที่หยุดความอยากได้ผู้ที่ทําใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้อรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเป็นผู้ที่รู้วิธีการหยุดความอยาก ดับความทุกข์ของใจได้ด้วยตนเองจึงเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหลังจากที่ได้บรรลุได้กำจัดได้หยุดความอยากต่างๆกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วพ้องก็เลยมีความเมตตากรุณามีความสงสารต่อผู้อื่นเห็นผู้อื่นนี้ยังต้องติดอยู่ในกองทุกข์อยู่ แล้วก็จะติดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนุ่งถ้าถ้าไม่มีใครมาสอนหรือถ้าไม่มีความสามารถด้วยตนเองที่จะสามารถกําจัดความทุกข์ได้ด้วยตนเองก็ต้องรอให้มีคนมาสั่งมาสอนอย่างพระพุทธเจ้าซึ่งคนที่จะมาสั่งมาสอนอย่างพระพุทธเจ้าดีมาปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ได้แต่ละครั้งก็เป็นระยะเวลาอันยาวนานมากด้วยเหตุนี้พระองค์จึง ต้องเสียสละอุทิศชีวิตหลังจากที่ได้ทรงตัดสรุแล้วยังมีชีวิตอยู่ต่อไปพระองค์ก็ใช้เวลาที่เหลือของชีวิตนี้ให้กับการเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้กับให้กับผู้ที่มีความฉลาดผู้ที่มีเห็นผู้ที่เห็นคุณค่าของพระธรรมคำสั่งคำสอนผู้ที่เห็นคุณค่าของเพชรพลอยไม่เห็นคุณค่าของลาบยศสละเส ร, ริญสุข เห็นโทษของการมีราบยศเสริญสุขว่าเป็นเหตุที่ทำให้จิตใจต้องวุ่นวายอยู่ไม่รู้จักจบจากสิ้นเป็นเหตุที่ทำให้ใจต้องทุกข์ไม่รู้จักจบจากสิ้นก็เพราะการมีราบยศเสริญสุขนี้ไม่ใช่การไม่ใช่ไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นถ้าไม่มีราบยศเสริญสุขแล้วก็จะไม่ต้องทุกข์กับราบยศเสริญสุขแล้วถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องทุกข์กับร่างกาย การมีนี่แหละกับกลายเป็นการมีครับเป็นกับการเป็นการสร้างความทุกข์ต้องการต้องไม่การไม่มีไม่มีอะไรเลยนี่แหละถึงจะเป็นสิ่งที่จะทําให้ไม่มีความทุกข์หรือว่าถ้ามีอยู่ก็ไม่ยึดไม่ติดถือว่าไม่ใช่เป็นของเราไปจะอยู่จะไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าไม่ไม่ได้ใช้มันไม่ได้พึ่งพาอาศัยมันไม่ได้ใช้มันเป็นเครื่องมือหาความสุข หรือไม่ได้ใช้มันเป็นสิ่งที่ให้ความสุขเพราะรู้ว่าความสุขที่แท okay, like ้จริงนี้คือการไม่มีความทุกข์และการที่จะไม่มีความทุกข์ก็ต้องไม่มีความอยากนี่แล้วก็วิธีที่จะทําให้ไม่มีความอยากก็คือก็ต้องมีการปฏิบัติการปฏิบัติต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่จะเครื่องมือที่จะการปฏิบัติก็คือเครื่องมือที่จะมาหยุดความอยากนี่ เครื่องมือที่จะหยุดความอยากนี้ก็มีอยู่สามด้วยกันสำหรับท่านผู้ที่เป็นนักบวชผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินทองก็ใช้ศีลสมาธิปัญญาสำหรับผู้ที่ยังเกี่ยวข้องกับเงินทองอยู่ก็ต้องใช้ทานคือสละทรัพสมบัติไปอย่าไปอาศัยทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเป็นเครื่องมือหยุดความอยากเพราะมันไม่หยุดมันเป็นเครื่องสนับสนุนความอยาก มีเงินทองปั๊บความอยากมันก็โผล่ขึ้นมาอยากได้นูน่นอยากมีนี่ทันทีแต่พอไม่มีเงินทองความอยากมีนั่นมีนี่มันก็จะไม่เกิดถ้าเราต้องการจะหยุดความอยากเราก็ต้องอยากมีเงินมีทองถ้ามีก็มีให้กับเฉพาะกับให้กับสิ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีพเท่านั้นถ้ายังไม่ได้เป็นนักบวชก็คือ ต้องอาสายเงินทองไปแลกเปลี่ยนเพื่อให้เป็นปัจจัยสี่มาเลี้ยงปากเลี้ยงทองถ้าจะมีเงินทองก็ต้องมองเงินทองว่าเป็นเพียงแค่ปัจจัยสี่เท่านั้นไม่ได้เป็นเครื่องที่จะมาคอยสนับสนุนความอยากต่างๆอยากอยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากไปนู่นอยากมานี่นี่ถ้าใช้เงินทองตามความอยากนี้ก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะเป็นการส่งเสริมความอยาก ให้มันอยู่ต่อไปให้มันมีอยู่ต่อไปในจิตใจวิธีที่จะกำจัดความอยากนี้ต้องไม่ทำตามความอยากถ้าอยากไปนู่นอยากมานี่อยากมีนั่นอยากมีนี่ถ้ามีเงินทองมันก็อยากมันก็ฝืนความอยากไม่ไหววิธีที่ดีก็อย่าไปมีเงินทองหรือถ้ามีเงินทองก็ต้องต้องแน่ชัดว่ามันมีไว้เพื่อมันเป็นแค่ปัจจัยสี่เทนั้นเอง ถ้าข้าวไม่มีเอาปเอาเงินทองไปแลกเปลี่ยนเป็นข้าวมาถ้าไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็เอาเงินทองนี้ไปแลกเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าถ้าไม่มีที่อยู่อาศัยก็เอาเงินทองนี้ไปแลกเปลี่ยนมาถือเงินทองนี้เป็นแค่ปัจจัยสี่เท่นั้นถ้ายังจําเป็นจะต้องจะต้องอาศัยจะต้องพึ่งตนเองในการเลี้ยงตนเองอยู่แต่ถ้ามีโอกาสได้มาเป็นนักบวชแล้วก็ก็จะมีผู้ที่เขามีจิตศรัทธา ที่ยินดีที่จะสนับสนุนให้นักบวชนี้ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องปัจจัยสี่ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการไปทำงานทาการหาเงินหาทองพอเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองเพื่อเพื่อจะได้ให้เอาเวลานี้มาให้กับการปฏิบัติเพื่อหยุดความอยากให้มันหมดสิ้นไปจากใจเพราะการที่จะเอาชนะความอยากได้นี้จําเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติตลอดเวลา เพราะว่าความอยากนี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลามันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเวลานั้นเวลานี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยจนกระทั่งถึงเวลาหลับนี้แ้บจะว่าว่าไม่ได้เลยว่าไม่มีความอยากไม่อยากกับเรื่องนั้นก็ไม่อยากก็อยากกับเรื่องนี้ไม่อยากจะดูนั่นก็อยากจะดูนี่ไม่อยากจะดื่มนั่นก็อยากจะดื่มนี่มันมีความอยากไหลมาตลอดเวลานการที่เราจะชนะความอยากได้นี้ เราต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติตลอดเวลาเราต้องมีเครื่องมือที่จะมาหยุดความอยาก ใ, ให้ได้ตลอดเวลาจึงึงต้องไปเป็นนักบวชกันถ้าเป็นนักบวชแล้วก็จะมีผู้ที่เขามีจิตศรัทธาพออเพราะเขาเลื่อมใสผู้ที่ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์เช่นพระพุทธเจ้าพระอรันตสาวกว่าท่านเป็นผู้ที่เป็นบุคคลที่ประเสริฐ เป็นบุคคลที่มีแต่ให้มีแต่ให้คุณทําคุณทําประโยชน์ให้กับโลกไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการสร้างสร้างความวุ่นวายสร้างความทุกข์ยากลำบากให้กับโลกเลยมีแต่สอนมีแต่ให้ความให้ปัญญาความรู้เพื่อที่จะได้เอาไปใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นในชีวิตของของแต่ละคนดังนั้นถ้ามีผู้ที่สนใจที่อยากจะ ศึกษาที่อยากจะปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้านั้นก็จะมีผู้ที่มีศรัทธายินดีที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่งั้นถ้าได้บวชแล้วก็จะได้ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องอเรื่องเรื่องเงินเรื่อ ง, อ ง, องทองเองินทองก็มีเท่าไหร่ก็สละไปให้หมดก่อนที่จะมาบวชเรียกว่าทําทานครั้งสุดท้ายสําหรับผู้ที่ต้องการจะอะ ไปศึกษาไปปฏิบัติไปสร้างเครื่องมือที่จะมาหยุดความอยากให้หมดสิ้นไปจากใจก็ต้องอาศัยการทำทานก่อนถ้ายังถ้ายังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆก็อย่าไปอาศัยมันถ้ายังไม่ได้บวชแต่อยากจะปฏิบัติเหมือนนักบวชก็ต้องยึดต้องถือว่าเงินทองนี้มีไว้เพื่อเป็นแค่ปัจจัยสี่เท่านั้นเองไม่ได้มีไว้เพื่อใช้อย่างอื่นเพราะถ้าไปใช้อย่างอื่นนี้ ก็จะเป็นเรื่องของความอยากทางนั้นเมื่อไปใช้กับความอยากมันแทนที่จะมาหยุดความทุกข์มันกลับมาสร้างความทุกข์ให้กับใจเพิ่มมากขึ้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนเครื่องมือในการที่จะมาหยุดความอยากอยู่สองระดับด้วยกันระดับผู้ที่ยังคลองเรือนอยู่ผู้ที่ยังมีเงินทองผู้ที่ยังเกี่ยวข้องกับเงินทองผู้ยังต้องใช้เงินทองอยู่นี้ก็ให้ทําบุญทําทาน ทานศีลภาวนาให้ทําทานรักษาศีลให้ภาวนาภาวนาก็คือการเจริญสติการเจริญปัญญานี่เองเพราะว่ายังยังยังใช้เงินใช้ทองอยู่ไม่ให้เอาเงินทองนี้ไปใช้ตามความอยากให้เอาเงินทองนี้ไปใช้ในการทําบุญไปช่วยสงเคราะห์ไปไปอุปถัมภ์ไปช่วยเหลือผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน หรือเอามาช่วยตนเองในเรื่องที่เกี่ยวกับปัจจัยสี่เท่านั้นแต่ไม่ให้เอาไปใช้สนับสนุนความอยากต่างๆไม่ว่าจะเป็นความอยากอะไรก็ตามไม่ให้เอาเงินทองที่มีอยู่เอาไปใช้ให้ไปทําบุญทําทานแทนสําหรับผู้ที่ออกบวชได้ก็มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็ยกให้คนอื่นไปหมดทําทานได้ ห, หมด สำหรับนักบวชพระพุทธเจ้าก็เลยไม่ต้องสอนเรื่องทานสอนแต่เรื่องศีลกับเรื่องภาวนาเรื่องภาวนาก็เรื่องของการเจริญสมาธิและการเจริญปัญญานักบวชท่านก็จะสอนให้เจริญศีลสมาธิปัญญาที่เป็นเครื่องมือในการที่จะามาใช้หยุดความอยากถ้าเป็นคารว่าผู้ครองเรือนผู้ยังมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองอยู่ก็ให้เอามาให้ทำทานรักษาศีลให้ภาวนา ก็เหมือนกันต่างกันตรงที่มีทานเท่านั้นเองที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับผู้คองเรือเพราะผู้คองเรือนยังใช้เงินทองอยู่ต้องรู้จักใช้เงินทองไม่ให้ไปสนับสนุนความอยากเอาเงินทองนี้ไปสนับสนุนร่างกายเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่ได้ด้วยการไปซื้อปัจจัยสี่ให้กับร่างกายแต่ไม่ให้เอาไปซื้อของสิงของต่าง ๆ, ต า, งๆตามความอยาก แต่ถ้าอยากจะมีความสุขจากการใช้เงินทองก็เอาเงินทองนี้ไปทาบุญทำทานแทนความสุขที่ได้จากการทาบุญทำทานนี้จะดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปทำตามความอยากการเอาไปใช้ทาตามความอยากมันได้ความสุขแต่มันก็ได้ความทุกข์ตามมาด้วยเพราะความสุขที่ได้จากการใช้ตามความอยากนี้เป็นความสุขเดียวเดียว พอมันจางหายไปมันก็ทําให้รู้สึกอ้างา ว, าาว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเศร้าซร้อยง่อยเหงาแต่การเอาเงินไปทําบุญทําทานนี้มันจะไม่มีความรู้สึกเศร้าสร้อยงอยเหงาหรือเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเพราะความสุขที่ได้จากการทําบุญทําทานนี้มันยังมันจะอยู่กับใจไปนานๆอยู่ไปเรื่อยๆทาให้รู้ใจมีความรู้สึกอิ่มรู้สึกสบายไม่รู้สึกหิวโหยไม่รู้สึกอ้างว้างปาเปล่าเปลี่ยวเดียวดายกอย่างได้ อนี่คือเครื่องมือที่เราต้องเอามาใช้ในการที่จะกาจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจก็คือทานศีลภาวนาภาวนาก็คือสมาธิเรียกว่าสมถะภาวนาปัญญาก็คือวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาภาวนาเห็นเราถ้าเร า, าถ้าเรายังอยากจะใช้เงินเวลาที่เราอยากจะมีความสุขก็ใช้เงินด้วยการทําบุญทําทาน อย่าใช้เงินด้วยการไปเที่ยวไปไปเที่ยวตามสถ า, านที่มัน ท, ที่ต่างๆหรือซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของที่ไม่จำเป็นให้เอามาซื้อของที่จำเป็นได้เช่นปัจจัยสี่อาหารเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคหรืออะไรที่เกี่ยวกับการองกับการดารงชีพเพราะสมัยนี้นอกจากปัจจัยสี่แล้วมันยังมีปัจจัยอื่นด้วยเช่นค่าน้าค่าไฟค่าอะไรต่างๆ มันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแต่อย่าเอาไปใช้กับความอยากอยากไปเที่ยวอยากไปกินไปดูไปฟังอยากจะได้ของนั้นของนี้มาสิ่งเหล่านี้มันไม่จำเป็นไม่มีมันไม่ตายแต่ได้มาแล้วมันจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะไปสร้างความอยากให้เกิดขึ้นมาความอยากมันก็จะไม่อิ่มไม่พอได้เท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอได้มาแล้วมันก็อยากจะได้ใหม่ พอเวลาเกิดความอยากได้ใหม่มันก็เกิดความทุรนทุรายขึ้นมาอีกอนะทำทานแล้วก็รักษาศีลเบื้องต้นก็รักษาศินห้าก่อนถ้ายัางรักษาศินห้าไม่ได้ก็หัดรักษาศีลห้าก่อนพอรักษาศินห้าได้แล้วก็มารักษาศินแปเพราะการที่เราจะไปสมถะภาวนาหรือ ว, วิปัสสนาภาวนานี้เราจาเป็นจะต้องมีสีล8ปดอย่างน้อยเป็นเครื่องสนับสนุน เพราะว่าสิ่งแปนี้จะห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองเพราะว่าถ้าเรายังไม่ห้ามใจเราไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเน่เราก็จะเอาเวลาอันมีค่าให้กับการปฏิบัตินี้ไปกับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเวลาที่เราจะมาปฏิบัติเพื่อหยุดความอยากนี้ก็จะมีน้อยลงไปก็จะไม่เพียงพอ เพะผู้ที่ต้องการที่จะมาเจริญสติจเจริญสตินั่งสมาธิมาเจริญปัญญานี้จําเป็นจะต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัตินี้มากเพื่อต้องให้ให้ทุกเวลานาทีให้เป็นบังให้ให้ให้กับการปฏิบัติเท่านั้นปฏิบัติศีลปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็ต้องรักษาศีลแปดขึ้นไปถึงจะมีเวลาที่จะมาปฏิบัติ เจริญสตินั่งสมาธิแล้วพอได้สมาธิแล้วก็มาเจริญปัญญามาศึกษาความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่จิตใจยังหลงติดอยู่ยังอยากอยู่ว่ามันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญสุขก็ตามไม่ว่าจะเป็นร่างกายก็ดีไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกต่างๆของที่มาสัมผัสกับทางร่างกายก็ดี หรือว่าไม่ว่าอารมณ์ต่างๆที่มาปรากฏขึ้นในใจก็ดีมันล้วนเป็นของที่เป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่ามันเป็นของที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางเวลามันก็ให้ความสุขแต่บางเวลามันก็ให้ความทุกข์พอเราอยากได้ความสุขจากร่างกายก็ดีจากเวทนาความรู้สึกก็ดีจากอารมณ์ต่างๆก็ดีเวลาที่มันเปลี่ยนไปจากสุข มันกลายเป็นทุกข์ไปเวลานั้นก็จะทำให้ใจต้องดิ้นต้องทุกข์เพราะจะเกิดความอยากไม่ให้มีความทุกข์เกิดขึ้นอยากจะให้มีความสุขกลับมาใหม่ใจมันก็จะดิ้นเวลาดิ้นมันใจก็จะทุกข์ขึ้นมาก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าอยากไปอยากกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้อยากไปอยากได้ความสุขจากราบยศสารเสริญจากลูกเสียงกิ่นดโทุตถะ จากร่างกายของเราเองหรือจากร่างกายของคนอื่นจากความรู้สึกที่เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้นกายหรือจากอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นทางใจ<ม>เพราะต้องรู้ว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันมีมีสุขมีทุกข์สลับกันไปเราจะไปสั่งให้มันมีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่ได้<ม>เราอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปหวังความสุขจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ ให้เราหาความสุขจากการที่เราทำใจให้ไม่อยากดีกว่าถ้าเรามีสติมีสมาธิที่มีกำลังมากเราจะสามารถสั่งใจให้อยู่เฉยๆได้เพราะเราจะมีอุเบกขาพะมีอุเบกขาแล้วแลถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาเพราะว่าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในในโลกนี้ในไตายภพนี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ล, ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นความสุข สุขก็เป็นความสุขแบบชั่วคราวเป็นความสุขรอไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การไม่มีความอยากพอเราเห็นด้วยปัญญาแล้วก็หยุดความอยากในสิ่งต่างๆได้ใจของเราก็จะหยุดความทุกข์ทั้งหลายได้ของใจนะไม่ใช่ความทุกข์ของราบยศทะเสรินความทุกข์ของร่างกายของเวทนาของอารมณ์นี้มันเป็นของธรรมดาที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามกฎของใจละ แต่ตัวที่เราจะหยุดก็คือความทุกข์ที่เกิดจากใจที่เกิดจากความอยากนี้พอเราไม่มีความอยากความทุกข์ทางใจก็จะไม่มีต่อไปแล้วความการจังกรรมมาเกิดแก่เจ็บ ต, ตายก็จะไม่มีอีกต่อไปนี่แหละคือประโยชน์ที่เราจะได้รับถ้าเราเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาและให้ความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติ แล้วเราก็จะได้ปฏิเวทคือได้บรรลุถึงมรรคนนีพานได้บรรลุถึงการหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงนี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร อ, อยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนตตสากลัง เอวามิวะอโตทินังเปตานังอุปกาปเดชิตังปะิตังตุมหังคิปะมิวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนาวัสุยัทามณิโชติ ภราสุยาตาสัพพิติโยวิวาจััตถุสัพพโลกวินาศตุมาเตภวะตวันทรายุสุขีทิขายุโกภะอภิวัตนาสีริสนิจังวุทธาปจายโนจตารโหธมมาวันติอายุวันสุขัง ช่วงต่อไป น, นี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอ เ, เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยอย่ารอมาถามตอนที่เราเลิกแล้วนะเพราะจะไม่มีเวลาที่จะตอบให้มีเวลาก็มีเวลาช่วงนี้ที่ดีที่สุดพาะมีไมโครโฟนเสียงมันดังฟังชัดดีพูดไม่ต้องออกเสียงมาก ถ้ามาพูดตอนที่เลิกแล้วนี่มันไม่มีกำลังเสียงมันค่อยแล้วมันจะเหนื่อยงั้นถ้าใครอยากจะถามก็ต้องขอเชิญถามในช่วงนี้ถ้ากลจะรู้ว่าเป็นใครก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้นะหรือถ้ามีมือมีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง youtube แล้วทางทีมงานจะเอามาอ่านให้ท่านฟังวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่แพรเบเรียนพระอาจารย์ค่ะ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมหนาคุตจากทางเ c e b o o k พระอาจารย์สุชาติห้าร้อยสาสิบหนึ่งท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์260 y o u t ห b e ิบยูทดร v วหสิห้าวิทยุออนไลน์6คลับเฮาส์เจนาคูหนึ่งร้อยหกสิบรวมทั้งหมดหนึ่งพันยี่สิบเกท่านค่ะ mm hmm. คำถามจากทาง Facebook ค่ะหากเราเอาทำ หากเราเอาหลักทำคาสั่งสอนมาปฏิบัตในชีวิตประจาวันถือว่าเป็นการภาวนาแบบหนึ่งไหมคะยังหรอกเป็นการปฏิบัติแต่ยังไม่เป็นการภาวนาหรยอะถ้าเป็นภาวนาก็ต้องเป็นปัญญาคือถ้าใช้ปัญญาแล้วเอามาใช้กับการปฏิบัติก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติระดับปัญญา เช่จนจะไปดื่มสุราแล้วก็เห็นว่าสุรานี้เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจก็หยุดดื่มได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการใช้ปัญญาค่ะคำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะ การสาบแช่งแบบไหมเจ้าคะเช่นเราโกรธเกลียดใครก็ตามที่มารังแกเราแล้วเราไม่สามารถตอบโต้เขาได้เราจุดทุบกลางแจ้งแช่งทุกวันแช่งทุกวันพระราบขอบพระคุณเจ้าคะ่ะไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอสาบไปก็ถามถามเท่านั้นมันเป็นแค่วาจาของเราวาจาของเราไม่สามารถไปทําให้เขาเป็นววเป็นควายเป็นเตะเป็นผีไปได้เขาต้องการกระทําของเขานั่นแหละจะเป็นตัวที่จะสาบเขาเอง ทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำชั่วแล้วเราก็ไม่ต้องไปสาบเ้าหรอกเราก็จะต้องเป็นไปตามคำคำชั่วของเขาการไปสาบเขาเนี่ยเป็นการกระทำความชั่วของเราเพราะเป็นการอาฆาตพยาบาทเป็นเป็นการกระทำที่ไม่ดีถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์เราต้องรู้จักการให้อภัยเพราะว่าการการผูกอาฆาตพยาบาทนี้มันจะ นำพาเราไปสู่การกระทำบาปต่อไปถ้าเรายัางทําบาปอยู่เราก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดไม่อยากจะไปเกิดในอบายก็ต้องให้อภัยเขาการให้อภัยนี้เราได้ประโยชน์มากกว่าคนที่เราให้อภยัยคนที่เราให้อภัยเขาก็เพียงแต่ปลอดภัยจากภัยที่เราจะไปทําร้ายเขาเท่านั้นเองแต่เรานี่แหละจะปลอดภัยจากกรรมชั่วของเราเอง เราจะได้ไม่ต้องไปโตไปเกิดในอาบา ย, ยไม่ต้องติดอยู่กับของการเรียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆคำถามสักผู้รับฟังหน้ากูดค่ะกราบนมัสการค่ะปัญหาที่เกิดจากการทำงานที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้มาก่อนจะเข้ามาให้แก้ตลอดเกิดจากสาเหตุอะไรคะและการทำงานให้ง่ายต้องทำอย่างไรคะใช้หลักธรรมข้อไหนมาใช้คะ ไปทําเท่าที่เราทําได้มันก็ง่ายไปทไําในสิ่งที่เราทําไม่ได้มันก็ยากถ้ามันยากก็อย่าไปทํามันก็แล้วกันทําที่สิ่งที่มันเราทําแล้วมันง่ายเราทําได้มันก็ง่ายอันไหนที่เราทําไม่ได้มันก็ยากค่ะคำถามสักทาง y o u ูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะมี คำถามสุขุณดิมเปิลนะคะมีสองข้อข้อที่1ศีลแข้อที่สการรับของจากมือโดยตรงถือหรือถ้ามีความจำเป็นต้องนั่งหรือยืนชิดกับเพศตรงข้ามจะทำให้ศีลขาดหรือศีลไม่บริสุทธิ์หรือไม่เจ้าคะไม่หรอกศีลข้อสของผู้ที่ถือศีลแปดมันจะขาดก็ต่อเมื่อไปเสพไปร่วมหลับนอนกันนะเพียงแต่ว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟลุกขึ้นมาก็เคย อ, อย่า ให้แตะเนื้อต้องตัวกันถ้าเป็นไปได้เวลารับของก็อย่าไปเผลอไปถูมือกันก็เพื่อความปลอดภัยก็เอาอะไรวางไว้ให้เขาวางไว้รับอีกแบบพระเอาผ้าวางไว้แล้วก็ให้เอาของวางไว้ที่ผ้าแต่ศินข้อสามนี้จะจะขาดก็ต่อเมื่อเราไปร่วมเพศกันไป ร, ร่วมหลับนอนกันทัแต่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไปถึงขั้นนั้นได้เราก็อย่าไปกระตุ้นให้มันเกิด การอยู่ใกล้ชิดกันการจับนิ้วต้องตัวกันนี้มันอาจจะลามปามต่อไปได้ข้อที่2ศีลข้อที่6ถ้ายังมีความจําเป็นต้องใช้แรงจากร่างกายทํางานอยู่ก่อนเที่ยงลูกทานข้าวสองมือได้ใช่ไหมเจ้าคะได้คือถ้าเราทํางานอยู่สินแปนี้อาจจะไม่จําเป็นสําหรับเราเพราะว่าสินแปดนี้มีไว้เพื่อให้เรามีเวลาไปปฏิบัติ แต่ถ้ า, าถือศีลแปแล้วยังต้องทํางานอยู่มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากนะ<ม>ถือศีลห้าก็พอวันที่เราไปทํางานแต่อยากจะรักษาศีลแปดก็ไม่ห้า ม, มก็ก็ดีเป็นการเสืิมข้ามข้อไหนที่เรารักษาได้ก็รักษาไปข้อไหนที่เรารักษาไม่ได้ในศีลแปเนี่ยก็ยังไม่ต้องรักษาก็ได้ือตั้งแต่ศีลข้อหกขึ้นไปแต่ถ้าเราไปปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องรักษาให้ได้เพราะเราต้องการที่จะ ป้องกันไม่ให้เราไปทำะายอย่างอื่นเพื่อเราจะได้มีเวลามาให้กับการปฏิบัติเพียงอย่างเดียวค่ะคำถามสักทางยู u b e ค่ะลูกผิดศีลข้อหนึ่งเฉพาะยุงอย่างเดียวลูกไม่อยากจะตีหรือตบยุงแต่ลูกกลัวยุงกัดลูกของลูกกลัวลูกเป็นไข้เลือดออกจะมีวิธีไหนที่ทำให้ไม่ต้องฆ่า ย, ยุงได้คะ ก็ติดมุ้งลวดเลแล้วก็เวลาถ้ามันมุ้งลวดแล้วยังกัดไม่ได้ก็กางมุ้งอีกชั้นหนึ่งก็ได้แล้วก็ปล่อยให้มันกัดไปบางทีเป็นการฉีดวัคซีนก็ได้ยุงมันมาฉีดนิดหน่อยเอาเชือ้อเข้ามากระตุ้นคุมม้องกันของเราก็ได้คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ พ่อมีครอบครัวใหม่ไปนานเกือบสามสิบปีดิฉันเป็นลูกคนเดียวของท่านต้องแยกมาทำงานในเมืองหลวงเคยชวนท่านมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันพระทราบว่าไม่มีใครปรนนิบัติท่านอย่างที่ควรจะเป็นแต่ท่านไม่ยอมมาเพราะท่านเองชอบอยู่ต่างจังหวัดทำได้แต่เพียงส่งอาหารแห้งและวิตามินต่างๆไปให้เนืองแต่ท่านก็กินบ้างไม่กินบ้างควรวางใจอย่างไรไม่ให้ทุกเจ้าคะ เก็วังใจว่าเป็นกรรมของท่านแล้วก็เป็นกรรมของเราที่เราไม่สามารถที่จะตอบแทนบุญคุณให้ท่านได้ท่านก็เป็นกรรมของท่านที่ไม่สามารถให้ลูกมาตอบแทนบุญคุณให้กับท่านได้เต็มที่ก็เป็นเรื่องของกรรมใครกรรมมันไป คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะวันนี้ปฏิบัติทมนั่งสมาธิมีมแมลงวันบินมหามุดเข้าหูกับจมูกและตาเหมือนกำลังจะเข้าสมาธิได้แต่แสดงว่าจิตไม่นิ่งใช่ไหมคะยังห่วงร่างกายต้องออกสมาธิหนีมแมลงวันหรือสัตว์มาทดสอบเจ้าคะก็นั่นแหละเรายังยังไม่สงบพอยังไม่ติดอยู่กับการภาวนาของเราอยู่ ยังไปทกังวนกับเรื่องร่างกายอยสติเรายังไม่แข็งแรงพอคราหน้าก็ลองลองปล่อยร่างกายไปมันจะเป็นจะตายก็เรื่องของมันเราเห็นความสําคัญของความสงบยิ่งกว่าชีวิตเนี่ยต้องเห็นอย่างนั้นเราถึงจะปล่อยได้ยังไม่ถึ ง, งเท้าการปฏิบัตินี้เป้าหมายก็คือให้เรารักษาใจเป็นหลัก แล้วก็ให้เราปล่อยทุกอย่างที่จะมาขัดขวางการรักษาใจของเราเพราะของต่างๆที่เรากังวลเราหวงกังหวงมันเป็นของชั่วข่าวทั้งนั้นน่ยในที่สุดมันก็ต้องหมดไปทรัพย์เอยร่างกายของเราเอยแต่ใ จ, ใจของเรานี้มันไม่มีวันหมดนะถ้าเรายังไม่สามารถกําจัดความทุกข์ของใจให้หมดไป ความทุกของใจมันก็จะอยู่กับใจต่อไปเรื่อยๆมันต้องมาของเราเราต้องอยู่ที่การกําจัดความทุกข์ของใจโดยการที่ถ้าเราต้องเลือกระหว่างการรักษาใจกับรักษาร่างกายอะไรก็ต้องเลือกรรักษาใจเพราะใจเป็นของที่มีคุณค่ากว่าใจเป็นของที่ไม่ตายร่างกายเป็นของที่ต้องตายไม่ช้าก็เร็วอย่าไปหวงร่างกายมากจนเกินไป ถ้าถึงเวลาที่จะต้องเลือกระวังใจกับร่างกายก็ต้องเลือกใจใจจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ยังไม่มีคำถามเลยยังค่ะใจนี้เป็นตัวที่สำคัญที่สุดแล้วใจที่เป็นตัวที่กำลังมีปัญหาขณะนี้ตัวที่พายตัวที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดก็คือใจ แล้วตัวที่มาทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากการปฏิบัติสมาธิก็ดีการบฏิบัติปัญญาก็ดีนี้ก็เพื่อที่จะหยุดความอยากถ้าเราหยุดความอยากได้แล้วใจของเราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วใจของเราขณะที่อยู่ก็ไม่จะไม่ทุกข์กับอะไรเพราะความทุกข์มันเกิดจากความอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความต้องการของเรา พอมันไม่เป็นไปตามความต่างๆของเราเราก็ทุกข์กันแต่พอเราหยุดความอยากได้สิ่งต่างๆจะดีหรือจะไม่ดีจะเกิดจะดับจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรนี้มันก็จะไม่มาทำให้รัใจเราทุกข์ได้เพราะตัวที่สร้างความทุกข์คือความอยากมันไม่มีในใจเราฉะนั้นหเห็นความสำคัญของใจเห็นความสำคัญของการปฏิบัติเพื่อหยุดความอยากอย่าไปกังวลกับเรื่องเรื่องจุกจิตของทางร่างกายเลย เพราะว่าไม่ช้าก็เร็วร่างกายมันก็ต้องถึงแก่ความตายด้วยกันทุกคนไม่มีใครยับยั้งมือนได้ยังไม่มีใช่ไัม ย, ยังค่ ะ, ะถ้าไม่มีก็มีใครอยากจะถามอะไรไหมอย่าเข้ามาถามตอนที่เลิกแก้วนะต้องขออภัยด้วยเพราะไม่สะดวกโอเคถ้าฉะนั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา